ทำความเพลินให้ขลาดมันเคยอย่างนั้นเหรอมันจึงพูดไว้เลยเพราะพูดเพื่อผู้ภาวนาให้อยู่ั น, น, นเะดับความผาสุกใครจะมาบวชมาจากท่านไหนก็ตาม นายพันตรีนายพันโทนายพันเอกมาบวชนี่บอกโก่งเลยเรานี่เวลามาบวชอย่าเาตำแหน่งนายพันตรีนายพันโทนายพันเอกมาด้วยนะนให้มาจากพลิกสุกอ้นี่เทนะ่านั้นมาบวชให้เป็นพระโดยสมบูรณ์แบบทำหน้าที่ของพระให้สมบูรณ์แบบอย่าเอาสิ่งนั้นขึ้เป็นเรื่องของเิเลยที่เคยแบกบเคยหามมาแลกกันทั้งโลกเข้ามาเหย่าย่ำทำลาย ความเป็นพระของตนและเอย่าย่ำทําลายหมูขเพววื่อนให้บอกซ้ําไปด้วยกระทบกระเทือนไปด้วยไม่ใช่ของดีไม่ใช่ธรรมนั่นคือข้าศึกยายนาเข้ามาแทะสอกนี่เลยมาตั้งแต่พิกษุกอตอนนั้นในพันตรีนายพันโทนายพันเอกก็ไม่ให้มาลูกนายพันตรีลูกนายพันโทนายพันเอกพลตรีพลโทพลเอกก็ไม่ให้เข้ามาออืถ้ามาแต่พิสุกอ ลูกสถาปิสถาพจบล้วนทำงานก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นอัดเป็นธรรมขีเด็ดไม่เข้ามาแบบ่งมาแยกมาจีดมาขวางหน้าที่การงานจริยามารยาทและกระทบกระเทือนตนเองและผู้อื่นห้าไมไห้หมดเ่ยพูดอย่างนั้นพูดอย่างคงไปคงมาเพราะได้เคยเห็นโทษของสิ่ ง, งนี้มามากแล้วใยการพิพจารณาตามหลักธรรมเขาเทียบเคียงกัน ถ้ามีคำก็ไม่ทราบอะไรดีคุ๋ยนี่ถึงงงขวบขังเมืเอเ่อเรน่าแล้วปุ๋ยมันดีเมื่อตอนนั้นแล้วนะพันตรีตำรวจเอาลูกชายมาบวชเราบอกมันเต็มหมดแล้วเราก็ไม่ฟังนี่แต่จะขอบวชให้ได้หรือปุ๋ยนี่ให้ได้ มันเต็มแล้วมันไม่มีเวลามันไม่มีว่างที่ไหนเลยพระเต็มอยู่ตลอดแน่นอยตลอดขอจะเอาให้ได้ยังไงก็จะเอาจริงๆเลยเนี่ยะเอาจริงๆเนี <c oughs> ่ยถ้าจริงๆอะไรนี่นะหน้าอะไรหน้าที่น่ออนนะหันหน้าเขาต่อสู้นะมีเวลาบวชเนี่ยให้ชื่อนายเนี่ยตอนเนี่ย ลูกของนายพันตรีตำรวจนีเข้ามาบวชเท่านั้นแต่ห้ามให้เอาลูกนายพันตรีตำรวจเข้ามาบวช ด, ด้วยให้มานนายก้อนี้เข้ามาบวชเป็นพระก้นว่านี้เท่านั้นนะฮะเอาเรื่องลัทธิบรรดาศักดิ์อะไรเลยเข้ามายุ่งเกวนความเป็นพระให้เสียไปและวจีดขวางไปทั่วทั้งวัดทั้งว่าจะได้ไหมเอาได้เหมือนนะ้น บอกว่าได้อยอมรับแล้วเราก็อัทภาคงั้นรับนั่นแหละภาคมันกับภาคทันกันขนาดนั้นนะนเรามาบวชพอบวชเสร็จแล้วก็มาแล้วสิพอมามาขอให้มียอมบวชถามภาษาสักคนพอบวชใหม่มารูภาษีภาษาเลยขอโยมมาคอยดูแลรักษาสักคนจะได้ไหม นี่จ้เอานายธันตรีมาด้วยแล้วหรือเนี่ยก็พูดยอมรับกันแล้วทำไมจึงต้องมาพูดอย่างนี้อ้าวใครเลือกนะเนี่ยอะไรนั่นหนึ่งให้คูณมาตามบทตรธรรมประถางกลับไปโดยทันทีสองถ้าไม่กลับไปให้ไปทั้งสองด้วยนี่ลูนายทันตรีมาแล้วเนี่ยอบอกกันแล้วยอมรับกันแล้วเนี่ยอ้าให้เลือกอา พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านเสดจออกว่าใครตามอุรรมปสมบทาบท่านทําไมเราจะเก่งกว่าครูยังไม่ถึงไหนหนึ่งเรารับไม่ได้อไเอาถ้าถ้ามันแยกออกอย่างนี้ต้องกลับทั้งสองที่ว่ารับแล้วก็รับไม่ได้เพราะข้อขัดแย้งกันมันมีได้พูดกันแล้วตร ง, งนั้นตกลงแล้วหนึ่งผิดทากันเลยต้องให้ยมที่วัดมาตามจะมาอุปถาบกลับคืนอยู่แต่พระกองเดียว เห็นไหมล่ะแล้วไม่เห็นจะบุคคลได้หรือทําเหนือโลกนี่แล้วท่าเนเรนแต่ละองค์มีคุณค่าเท่าไหร่ที่จะมาทําขวางหน้าขวางตาพระเนรนทั้งองค์ทุกองค์ทุกองค์งในวัดนี้ซึ่งมันมีอุปธรรมประถาง ม, มาจากั้นเลยแล้วมาบวชในวันนั้นจะตามอุปธรรมประถาง ม, ม า, ขวาง ว, าขวางวาาัดขวางหวาทำไมนี่มันขวางมากไม่ใช่ขวางน้อยๆเราจะรับไม่ได้ เราจะเห็นแต่บุคคลคนเดียวมีคุณค่ายิ่งกว่าค่าเนนทัองวัดและปฏิบัาติการเินมาของพระเจ้าให้เสียไปด้วยนี่ไม่ได้เราบอกงั้นเลยท่านล้วต้องสมกับเนี่ยนะอย่างงั้นเนาะเราจะเห็นแต่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ทำลายวนใหญ่ไลยคืมันต้องเทียบถึงอัตถถึงธรรมถึงเหตุถึงผล คนนี้มาได้คนนั้นจะลองมาแบบนั้นเอาคนนั้นเขจะมาแบบนั้นที่นี่เลยยุ่งไปหมดท่องวัดนี่แต่พระยศฐาดาศัก์อืมแล้วก็มาขวางวัดนี่ทำอะไรที่แี้ไม่มีแท้ก็ได้นี่แต่กี่เรศเต็มตัวเต็มหัวใจคนเต็มตัวของคนขวางวัดขวางว่าขวางหมดเดี๋ยววัดนี้ร้างท่านเดินทนไม่ไหวแตกกันเธฮ้ยจีเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่อง ดีมันเรื่องขีดเรื่องขวางเจ้าของมีเจตนาก็ตามสิ่งที่มันขัดมันมีอยู่นี่ไม่ก็ต้องขัดนี่ใครจะพูดยังหลวงพ่อบัวแล้วหลวงพ่อบัวนี่พูดได้เต็มปากขอให้ผลลงตรงไหนเราเคารพทำขนาดชีวิตเราให้มีความหมายเลยว่าไง น, นี่เป็นความจริงของเราจริงทำ ม, มีความหมายเต็มตัว ขอให้ทำยังอยู่เราจกตาก็พายเถอะขอให้ทํายังดีเถอะแต่ทามาอยู่แล้วไม่ผิดใช่ไหมวะแปลว่าอะไรดีอยู่เรื่องอย่งางพระองค์ที่ว่ามาบวชชั่าคราวนี่มันอยู่นี่ก็ดีนะก็ไม่เคยเรีว่าอะไรเพราเราขู่ไว้มันอันนั้นมันขัดก็กําจัดออกไป ้เามาขัดขัดทำขัดยังไงขัดความเป็นพระขัดศาสนาห้ัมาขัดได้ประมาณจะกี่นาทีนะเามืนนยอยาเหรอคงจะด้ทีห้าสิเลยนะ